บทที่28พี่น้องสองสาว4ี่โมงเย็นลานดาวกาลังนั่งซ้อมเปียโนโด้วยอารมณ์เบื่ออยู่ในห้องกระจกเล่นดนตรีไปก็เห็นความเบื่อของตนเองไปหญิงสาวมาถึงจุดของความตระหนักว่าสําหรับหล่อนแล้วเปีย โ, โนเป็นได้เพียงแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งและชัยชนะในการแข่งขันเปียโนก็เป็นได้อย่างมากที่สุดเพียงข่าวกระจอกซึ่งไม่มีใครจดจําเกิน3วันการสนิทคลุกคลีกับใครบางคนเช่นอมริตทําให้ลานดาวเกิดแรงบันดาลใจ และมีคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตตนเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ทำลายความเชื่อเดิมๆที่ฝังรากลึกเช่นผู้ชนะได้ไปทั้งหมดและอยากปั่นโลกก็ปั่นอยากหยุดโลกก็หยุดคติพจน์เหล่านี้กลายเป็นความคิดของเด็กเห็นแก่ตัวที่ยังไม่เติบโตขึ้นมองโลกในมุมที่แตกต่างและมุมมองที่ต่างไปในบัทนี้ก็ก่อความปรารถนาที่จะมีตัวตนตามคติพจน์ใหม่ๆเช่นเป็นความโชคดีของคนรู้จักหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคนอื่น มนุษย์ทุกคนต้องการมีคุณค่าทว่าแต่ละคนมีวิธีแห่งการเสพสุขจากคุณค่าในตนเองต่างกันความรักความบูชาจากคนไข้ของอามาริดนั้นทําให้หล่อนเห็นความหลงไหลคลั่งไคล้จากหนุ่มๆที่มีต่อรูปโฉมของตนเป็นเสมือนกลิ่นโคลนสาบควายฉไหนเลยจะเทียบได้กับกลิ่นหอมของดอกไม้ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงมือนุ่มคู่หนึ่งยื่นมาปิดตาเสียงเปีย โ, โนขาดช่วงลงทันใดลานดาวแกะมือคู่นั้นออก หมุนตัวกลับลังหันมามองหน้าเจ้าของมือในลักษณะการเฉยนิ่งอยู่ครูก่อนกลางสองมือฉีกยิ้มราและร้องออกมาดังๆตายประหลาดใจจังเลยเป็นไงมาไงคะทูลหัวของจ๊ะลมชนิดไหนหอบมาถึงนี่ได้มาวันทาหัวเราะกับลีลาประสาทช้าของลานดาวลมที่กลมอุตุไม่มีทางพยากรณ์ถูกลมแห่งความคิดถึงไงกลมอุตุพยากรณ์ไม่ถูกแต่จ้าทายแม่นนะวันซืนยังสังหอนอยู่แล้วว่าพี่เอิญกําลังกินไม่ได้นอนไม่หลับ ภายในวันสองวันจะทนคิดถึงจะไม่ไหวต้องมาดูหน้าแล้วก็มาจริงๆมาวันทาบเบยิ้มหมันไส้แต่ใจก็ยอมรับอยู่ในส่วนลึกว่าเป็นเช่นที่น้องกล่าวความจริงหล่อนกับลานดาวควุยโทรศัพท์และฝากข้อความถึงการผ่านอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเธอว่าช่วงหลังนานทีจึงนัดเจอหน้าสักครั้งทําให้กระวนกระวายอาการราวกับความเป็นลานดาวคือเสนยาแฝดทั้งแท่งขาดการเสพรูปและเสียงพักหนึ่งเป็นต้องทุรนทุรายเกินทน ลานดาวปิดฝาครอบขี่เปียโนจุงมือพี่สาวมานั่งที่โซฟาแล้วล้มตัวหนุนตักฝ่ายนั้นด้วยความเคยชินเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอกันเลยเนาะมาวันทาก้มลงศบตาน้องเธอมีแฟนก็ต้องอยากอยู่ใกล้แฟนเป็นธรรมดาทิ้งซะเลยดีไหมโทษฐานที่ทำให้เราต้องห่างกันแพทย์สาวเงียบเพียงใช้ปลายนิ้วเขียนตัวหนังสือบนหน้าผากคนหนุนตักพอเขียนหลายๆตัวซ้ำลงตำแหน่งเดิมเสร็จก็ถามรู้หมเขียนว่าอะไร อ้าวมีความหมายหรือคะนึกว่าเขียนอักษรขอมทําคุณใส่ซะอีกเพลนดีนายเขียนใหม่สิมาวันทาอมยิ้มเขียนใหม่แต่หวัดกว่าเดิมลานดาวยิ้มกลิ่นพริ้มตาปิดสนิทรับสัมผัสและสะกดตามด้วยมโนภาพในสมาธิพอพี่สาวเขียนเสร็จก็ลืมตาขึ้นทายไอเลิฟยูหัวเราะคิกคักพร้อมกันดุ ด, ดนตรีบริสุทธิ์เมื่อใจใสสะอาดเสียแล้วคิดอะไรหรือพูดอะไรก็สื่ออยู่บนเส้นทางสีขาวไปหมดคําเดียวกันเมื่อสองเดือนก่อนอาจหวานซึง้ง เจอความแสบร้อนทรมานแต่คําเดียวกันนั้นเดี๋ยวนี้แค่ก่อให้เกิดความเอ็นดูรักสนิทราวกับพี่น้องคลานตามกันมาแทๆ้ๆไม่มีราคีใดในน้ําคําเลยระลึกถึงความรักมาวรรทาเชิงชูสาวในอดีตแล้วบังเกิดความไม่เข้าใจตนเองนี่กรรมอํานาจบีบบังคับของกรรมเวนทําให้หลงรักแบบผิดผิดปฏิบัติต่ตอกันผิดผิดเพื่อความเศร้าโศกเพื่อการสวยทุกข์ และเพื่อเพิ่มบาปเพิ่มกรรมต่อกันแต่พอดิ้นหลุดจากการร้อยรัดของบ่วงกรรมปรับมุมมองเสียใหม่ให้เป็นกุศลทุกสัมผัสก็กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างน่าฉงนนี่คือความมหัศจรรย์แห่งกรรมอันปรุงแต่งชีวิต จ, จิตใจและองค์ประกอบแวดล้อมให้เป็นไปนาน า, นาผ่านความปักใจอย่างหนึ่งสู่ความปักใจอีกแบบหนึ่งดุดเกิดใหม่เป็นตัวตนใหม่ตลอดเวลาอดีตเหมือนความฝันที่หายไปเลยเน้อพี่เอิญผ่านเลยแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกจะงงๆทุกครั้ง พอมองตัวเองเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยความคิดว่ามันกําลังจะเป็นความฝันที่หายไปอีกฉากหนึ่งก็เกิดคําถามว่าแล้วตกลงตรงไหนของความเป็นเราที่ไม่ใช่ฝันมาวันทาโน้มใบหน้าลงจุมพิษหน้าผากมนบนตักตนร่วมตระนักว่านี่คือภัสสะแห่งความเป็นปัจจุบันและปัจจุบันนั้นก็กําลังเคลื่อนสู่ความเลือนหายไปอย่างรวดเร็วคล้ายรอยส่ายที่ปรากฏรูปหลอกตาครู่หนึ่งก่อนถูกสายลมทยอยมาแปลรูปให้เป็นอื่น พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสิ่งใดแปลปลวนต้องเลอะเลือนไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นเทศถ้าเป็นจริงต้องนิ่งอยู่กับที่ไม่แปลกปลวนไปเป็นอื่นลานดาวยิ้มเล็กน้อยเมื่อตรึกตามคำพูดของมาวันทาแล้วจิตสัมผัสคลื่นความเป็นเทศแห่งปัจจุบันภาพแล้วอะไรคะที่ไม่เลอะเลือนอะไรเป็นความจริงสูงสุดที่เราเชื่อได้นิพพานไงอย่าบอกนะว่าไม่เคยได้ยิน เคยได้ยินเคยเรียนแต่ไม่เคยรู้ว่าคืออะไรเคยผ่านไปเห็นเถียงกันหูดับตับไม่ตามเว็บบอร์ดเหมือนกันอ่านแวบๆบแบบแล้วผ่านค่ะไม่เก็ตก็ต้องมีเหตุเหนียวนำให้สนใจแหละถึงจะเข้าตาเข้าหัวอย่างเมื่อกี้จะตั้งคำถามด้วยความอยากรู้ว่าอะไรบ้างที่เถียงก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ชี้ไปหานิพพานได้เพราะนิพพานเป็นธรรมชาติชนิดเดียวที่เถียงท้าต่างๆที่เห็นเป็นภูเขาทะเลดวงดาวตลอดกระทั่งจิตวิญญาณ ความทรงจําความรู้สึกนึกคิดของพวกเราไม่มีอะไรเที่ยงเลยแล้วจะเข้าถึงความเที่ยงแบบนั้นไปทําไมคะเป็นสวรรค์หรือแดนสุขาวดีน่าชื่นใจนักหรือถ้ายังเป็นแบบสวรรค์ก็ยังปรากฏรูปบ้านเมืองก็เที่ยงทนคําฟ้าไม่ได้หรอกทั้งนรกภูมิโลกมนุษย์ไปจนถึงเทวโลกล้วนแล้วแต่เกาะขึ้นด้วยผลกรรมเป็นสิ่งมีอายุไขเป็นชาติภพที่หมุนไปสู่ความแตกทําลายทั้งหมดทั้งสิ้นอ้าว แล้วงานนิพพานเป็นไงล่ะว่างเปล่าอย่างอากาศธาตุหรือความว่างแบบอากาศเป็นแค่ธาตุหนึ่งยังมีธาตุแห่งความว่างยิ่งกว่านั้นอยู่อีกเรียกว่าว่างแบบมหาสุญญาตาแต่ช่างเถอะบอกตามตรงพี่ก็ไม่รู้ว่าว่างแบบนั้นแตกต่างจากอากาศอย่างไรเอาเป็นว่าตามหลักของพุทธ ย, ยังมีธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีสาระแก่นสารเพราะยุติทุกข์ยุติความเวียนว่ายตายเกิดวุ่นวายเสียได้ทำนองเดียวกับเปเลวไฟที่เกิดจากฟืนถ้าทำลายฟืนเสียไฟก็ดับลง เหลือแต่ความว่างที่ไม่ร้อนเหมือนอย่างไฟไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับไฟมีแต่ความสงบอยู่เย็นเป็นนิรันด์ลานดาวทำหน้าง ง, งคิดในใจว่าว่างโงงไม่เกิดไม่ตายไม่ต้องทุกข์ก็หมดสนุกด้วยนะสีแต่ไม่พูดออกมาเพราะอยากเปลี่ยนเรื่องเขย่าแขนมาวันทาเบาๆเคยมีจ้าอยู่ข้างๆตลอดตอนนี้ห่างกันแล้วเหงาไหมถามจริงๆก่อนมีเธอพี่ก็อยู่ของพี่อย่างนี้นี่ทำเว็บค่าตัวตายด้วยจะไปเหงาได้ไง น่าใจหรอทำไมตามันฟองชอบกนรู้ไหมนิสัยเจ้าประจำของพี่เอินคืออะไรคือไม่ชอบยอมรับความจริงถ้าความจริงนั้นทำให้เสียภาพนางเอกผู้มีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขที่สุดเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาว่ากันอย่างนี้ล่ะก็ยอมรับมาสิว่าเหงาลานดาวรุกซึ่งทำให้มาวันทางเงียบไปจะมองว่าเพราะคล้านกับการต่อล้อต่อเถียงหรือเพราะจานนต่อความจริงก็ได้ พี่อ่องจะเก็บเงินไปถึงไหนคะถ้าเลิกทํากับสายการบินต่างประเทศเสียยอมรับสัพย์น้อยลงหน่อยบินแต่ละครั้งจะได้ห่างบ้านในเวลาสั้นลงหรือไม่ก็เลิกเป็นนักบินมาทํางานบนพื้นดินแทนเสียเลยนี่ปล่อยให้พี่เอินเหงาแย่เป็นจ้านะ้ไม่ยอมหลอกเธอก็พูดง่ายเสมอย้ายงานหรือเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นี่พี่อ่องก็ตกลงกับพี่แล้วละ่ะว่าไว้ผ่อนบ้านเสร็จเขาจะทํางานแบบได้เงินน้อยลงแล้วมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นโอ๊ย กว่าจะผ่อนหมดตุ๊กแกตามฝาบ้านกลายพันธุ์เป็นประเค่ไปแล้วมาวันทาหัวเราะอีกห้าหปีเท่านั้นแหละลําบากก่อนสบายทีหลังไปอีกทั้งชีวิตพวกพี่ไม่รวยเหมือนเธอนี่ทุกอย่างง่ายมาแต่เกิดจนแก่เท่านึกว่าชีวิตใครเขาจะง่ายเหมือนตัวเองกันหมดลานดาวเหลือบตามองพี่สาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามถ้าจะหาเงินเองได้ปีละพันล้านจะซื้อคฤหาสน์หลังละ40ล้านแถวนี้ให้พี่เอินอยู่สบายๆพี่เอินจะเอาไหมคะ มาวันทาหัวเราะนึกว่าน้องพูดเล่นจึงรับไว้เล่นๆ เ, เ, เช่นกันเอาสิทําไมไม่เอาจริงนะจริงสิถ้ารายได้เธอปีละพันล้านค่รืหาสีสิบล้านก็เราๆงบประมาณของขวัญวันเกิดหนึ่งกล่องเท่านั้นจะไปเกรงใจทําไมเปลือกตาลานดาวลดลงครึ่งหนึ่งคล้ายซึมเหมือไปมีเงินเสียอย่างนี่ดีเนอะนึกอยากทําอะไรก็ทําอยากซื้ออะไรก็ซื้อก็คล้ายอํานาจของยักษ์ในตะเกียงวิเศษขอบ้านได้บ้านขอปราสาทได้ปราสาท ยักษ์เสกให้ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นคนทําเงินที่แท้เราก็คือยักษ์ตัวนั้นอืมจริงยุคนี้ใครมีเงินก็ไม่ใช่แค่เจ้าของยักษ์แต่เป็นยักษ์ด้วยตัวเองทีเดียวถ้าจะเป็นยักษ์จะอาเสกหนุ่มหล่อปิ๊งขึ้นมาสักคนเพื่อพบว่าความหล่อยอย่างเดียวแก้เหงาไม่ได้มีหนุ่มหล่อที่เธอหลงรักอยู่ข้างกายแล้วจะต้องไปเสกขึ้นมาอีกทําไมล่ะลานดาวดึงตัวขึ้นนั่งเบื่อหน้าออกสู่สนามหญ้าเบื้องนอกมองไกลไรจุดหมาย ไม่รู้สิคะถ้าเกิดขั้นตอนในการแปลงตัวเป็นยักษ์ในตะเกียงเสี่ยงต่อการเสียคนที่เราหลงรักไปละ่ะมาวันทาขมวดคิ้วอย่างเริ่มหมดแรงคิดตามเธอพูดเป็นรหัสปริศนาแบบนี้พี่ฟังไม่รู้เรื่องมีปัญหาคาใจกับพี่แตรอยู่หรือเปล่าระบายให้พี่ฟังตรงไปตรงมาเถอะเปล่าน้องสาวทําเสียงเอื่อยอ่อยอ้อยส้อยถ้าจะอยากรวยด้วยตัวเองไม่พึ่งบารมีพ่อเพลื่อนกับงานและการทําเงินมากเกินไปก็อาจมีเวลาบํารุงเลี้ยงดูความรักน้อยลง ทำให้คนกับแมวที่บ้านว้าวเวทตลอดเวลาวันหนึ่งทั้งคนทั้งแมวก็ต้องทิ้งจะไปแพทสาวยิ้มขันคิดมากนาใครๆก็ต้องอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานกันทั้งนั้นพอมีครอบครัวแล้วไม่เหมือนจีจากกันตอนเรียนหนังสือหรอกต่างคนต่างต้องพวงหาความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตให้กับตัวเองแต่กลัวอะไรเล่าสมัยนี้มีเครื่องมือสื่อสารเยอะแยะวางๆคิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรคุยได้ทันทีล้านดาวฟังแล้วก็ะพริบต่างเงียบเชียบ แต่มาวันทาสำเนียกได้ถึงความเคลียดในกระแสะความคิดจริงจังของฝ่ายนั้นจึงเอ่ยอย่างพลอยจริงจังตามพี่ว่าอาจถึงเวลาต้องให้พี่แตรตรวจโรคตามวิชาชีพของเขาเสียหน่อยนะเธอเรียนจบแล้วท่าทางกังวลอะไรมากมายพีก่กนโหแยกขนาดต้องปรึกษาหมอโรคจิตเชียวหรือคะลานดาวหันกลับมาทําหน้างำจ้องตาขุนทว่าในที่สุดก็หัวเราะแปลงปลาแต่จ้าชักรู้สึกว่าตัวเองประสาทประสาทจริงๆแหละวันหนึ่งตกลงปลงใจจะเซ็นสัญญาอีกวันหนึ่งเกิดโลเลขึ้นมา จนเขาทำท่าเหมือนจะกระโดดจากโทรศัพท์มาเขย่าคออยู่รอมาร่อแล้วไม่อยากคิดมากแต่ยิ่งคิดจนเครียดขึ้นมาทุกทีเขาอาจจะนึกว่าเราไปคุยคุยกับค่ายเพลงอื่นด้วยมั้งเลยร้อนใจคงไม่หรอกค่ะถ้าคิดเอาดีทางนี้ใครไปทางอื่นก็โง่าตายละแล้วเธอลังเลเพราะอะไรกันแน่หึง้งก็เพิ่งบอกเมื่อกี้ไงกลัวไม่มีเวลาให้แฟนมาวนทาสายหน้าระอากับความคิดอันเหลือเชื่อของลานดาว เธอหนี้เหมือนมีอะไรแอบแอบอยู่จริงๆเลยแล้วก็จ้องสำรวจเอลองค์น้องก่อนขู่ชักอ้วนแล้วนะเธอเน่ะระวังเธอคือไม่ทําอะไรสักอย่างจะต้องมีอาชีพนอนบี้ไขมันเล่นในที่สุดคําพูดแทงใจดําทําให้คนเริ่มเสียส่วนโค้งของเอวเป็นครั้งแรกในชีวิตอึ้งอยู่ครู่ก่อนกระแทกเสียงแหวแบบครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งกระฟัดกระเฟียดอย่ามาว่านะมาวันทา ย, ยังคงพูดต่อเสียงเรียบเธอเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตไปทุ่มเทให้ผู้ชายคนเดียวไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ จะไม่มีวันเป็นแบบพี่เอินหรอกมีสามีไว้ให้บินหนีทั้งปีทั้งชาติย้อนให้แบบไม่ยอมแพ้นึกว่าคงไม่เป็นไรแต่พอเห็นแววแสลงใจในตามาวันทาลานดาวก็รีบเปลี่ยนเรื่องทันทีคิดอยู่หลายร้อยตลบตัวเองคงหลบหนีอาชีพทางการบันเทิงไม่ผลแต่อยากวางแผนให้ชัดเจนว่าควรทำอะไรแค่ไหนจะจะไม่ยอมขายแค่รูปร่างหน้าตาเด็ดขาดอยากเอาแบบพวกที่ทํานัง The Project, H e, b L a Witch Project The Blair WITC H P R O J E C T ทั้งผู้สร้างและดาราโนเนมทุกคนแต่อาศัยไอเดียแหวกแนวคิดในสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดลงทุนแค่ล้านกว่าบาทแต่กว่ารายได้เฉพาะในอเมริกาไปเกือบ 6,000 ล้านและทำเงินทั่วโลกถล่มทลายไปหมื่นล้านนี่แหละชวนให้ได้คิดว่าการแข่งขันเกิดขึ้นเพราะคนทาอะไรตามตามกันแต่ถ้าไอเดียของเราบัรเจิดมีอยู่แค่หนึ่งเดียวไร้คู่ท้าชิงการแข่งขันก็ไม่เกิด เกิดแต่การโกลยลูกเดียวอย่างน้อยก็ช่วงแรกมาวันทาถอนใจเอ็นหลังพิงพนักตกลงจะทำอะไรเป็นดาราเป็นคนเขียนบทเป็นผู้กำกับพ่วงหน่วยการสร้างหรือว่านักหาไอเดียพันล้านไม่รู้ละ่ะแต่จ้าจะรวยให้ได้ในข้ามปีเลยคอยดูแพ้สาวเศร้าใจจนหัวเราะเธอบ้านในแบบของเธอถ้ามีคนบ้าตามมากพอเดี๋ยวก็รวยเองแหละขอให้เริ่มก้าวที่หนึ่งเธออย่าเพิ่งคิดเลยว่ากี่เดือนกี่ปีจะมีกี่ล้าน พี่เอินคิดว่าจ้าปัญญาอ่อนไม่ยืนอยู่ในโลกความจริงใช่ไหมล่ะอย่าลืมว่าจ้าพิสูจน์ตัวเองด้วยการแข่งเปียโ น, โนได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งแล้วเงินรางวัลทั้งหมดรวมกันยังซื้อแกลนดเปียโนในห้องนี้ไม่ได้เลยจ้าแข่งได้มาอย่างเก่งทีละแค่ไม่กี่พันเหรียญค่าเครื่องบินก็เกือบหมดเกลี้ยงแล้วอีกอย่างเธอเริ่มหมดไฟไม่กะเอาดีทางเปียโนต่อแน่ๆเพราะฉะนั้นป่วยการขุดคุยอดีตมาฝอยที่ผ่านมาเธอเห็นชีวิตเป็นของง่ายเพราะคุณพ่อเธอทําให้มันง่ายแต่เมื่อไร่ออกทะเลชีวิต เป็นกับตันเรือให้ตัวเองเธอจะเห็นทุกอย่างต่างไปลานดาวมองพี่สาวด้วยหางตานึกในใจว่าคนธรรมดาก็คิดอย่างนี้แหละสำหรับหล่อนหล่อนรู้สึกถึงพลังความแตกต่างจากคนทั้งหลายอำนาจบา ร, รมีหนุนหลังจะส่งให้หล่อนพุ่งโด่งขึ้นคว้าดาวได้รวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องนับบันไดขั้นที่12ึสเหมือนคนอื่นชั่วขณะนั้นหยิงสาวเกิดแรงบันดาลให้อยากเอาชนะอยากให้พี่สาวเห็นความรุ่งโรจน์ของตนในชั่วข้ามคืนเอาให้ตะลึงค้างแปลกใจ เลิกคิดว่าหล่อนเป็นแค่นางจิกรรัอกอีกคนหนึ่งที่เดินดินธรรมดาแต่เท่าที่สามารถทําในตอนนี้คือนําคําพูดหมอดูอุปการะมาอ้างอิงเพื่อให้อีกฝ่ายยอมจํานนโดยดีอาจารย์ของพี่เอิญทํำนายว่าจ้าจะประสบความสําเร็จอย่างสูงแค่ช่วเวลาข้ามเดือนในไทยแล้วใน4ปีจะโกอินเตอร์มีชื่อเสียงยืดยาวไปอีก20ปีเพราะกรรมที่เคยเป็นใหญ่แล้วช่วยให้ผู้คนอยู่ดีมีสุขทั้งแผ่นดินนี่คงได้เวลาคนพวกนั้นกลับมาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนให้จ้าเร็วๆนี้แหละ มาวันทาฟังแล้วไม่ประหลาดใจนักคุณสมบัติและราศีเชิดฉายแรงสูงขนาดลานดาวปานนี้ต่อให้บอกว่าเคยเป็นเครื่องคลีโอแัตราเครื่องแม่ชีเทเรซาใครฟังก็ต้องเชื่อแต่เห็นท่าหญิงพยองจองหองลงเนื้อลงตัวชูคอเสียจนหดไม่ลงอย่างเดียวนี้แล้วก็นึกอยากกำราบมากกว่าพลอยส่งเสริมชื่นชูถ้ามีบุญเก่าคอยส่งกระแสหนุนอย่างนั้นก็ยินดีด้วยแต่ถามเธอสามข้อให้คิดเล่นในใจไม่จําเป็นต้องตอบพี่หรอกข้อแรกเธอรู้ด้วยตัวเองหรือว่า เธอเป็นหรือทำอะไรอย่างที่อาจารย์ทํานายไว้จริงๆข้อ 2. นอกจากคิดฝันเอาง่ายๆในห้องนอนเธอลงมือทําอะไรไปบ้างแล้วเพื่อความสําเร็จในชาตินี้หรือเพื่อต่อยอดบา ร, รมีชนิดเดียวกันเสริมจากชาติก่อนๆข้อ3เธอเคยถามอาจารย์หมว่าตัวเองเคยทําอกุศลกรรมอะไรไว้บ้างชนิดที่จะมาเบียดเบียนให้ลมลุกคลุกคลานงอหัวไม่ขึ้นอาจารย์ทํานายว่าเธอจะมีชื่อเสียงไปยีสิปีเธอถามต่อหมว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรตามมา ลานดาวอึง้งมาวันทายิงเข้าเป้าและทําให้รู้สึกตัวได้ว่าชาตินี้หล่อนทําบุญกับปากท้องตัวเองเท่านั้นแท้จริงหล่อนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบุญกรรมในอดีตชาติแม้แต่น้อยสักแต่ฟังคนอื่นพูดมาทั้งสิน้นแล้วก็ถึกทักว่านี่แหละใช่นี่แหละหน่าเชื่อเหตุผลคือเข้ากันได้กับอัตตาเสริมตัวตนให้ฟองฟูขึ้นอักโคมโหราณแม้รู้สึกไม่ค่อยอยากให้กําลังใจคนเริ่มออกเดินทางเลยนะคะหล่อนพูดเสียงอ่อนลงก็เธอคิดว่าตัวเองเพิ่งเริ่มก้าวแรกเหมือนคนอื่นเขาที่ไหนล่ะ ขึ้นมาก็ค่าเก่งค่าจะรวยค่าเป็นคนมีบุญหลงตัวทั้งนั้นลานดาวย่นคิ้วหน่อยๆอย่างชักหุดหงิดนี่เจ๊วันนี้ของขึ้นอะไรเนี่ยว่าเอาว่าเอามีปัญหาประจำเดือนหรือมาวันทาขบริมฝีปากกลั้นหัวเราะขยับหน้าตักหนีแกล้งเมินไปอีกทางไม่พอใจก็เลิกคุยกันได้นะเดี๋ยวพี่จะกลับละลานดาวจ้องมองท่าทีเย็นชาของอีกฝ่ายอย่างรู้ทันว่าจะให้โหร่อนยิ้มดุอยู่อึดใจ ก่อนจำต้องเล่นบทงอไปตามเพลงที่มาวันทาเริ่มบรรเลงขึ้นโถอย่าเพิ่งกลับเลยนะคะคุณพี่ขาลกเสียงสูงยืดยาวราวกับนางเอกลิเกพรางยกมือรูปหลังรูปไหล่เหนียวรั้งฝ่ายนั้นไว้ก็เธอไม่อยากคุยกับพี่แล้วนี่อยากค่ะอยากอยากลานดาวใส่ลูกเล่นลูกลีลุกลนกับจังหวะจะโคนเน้นเสียงแผลนตอนท้ายคล้ายเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากฟังแล้วขำจนมาวันทาอดหัวเราะไม่ได้หยุดต่อจะให้ทําอะไร เดี๋ยวทานข้าวเย็ยนด้วยกันนัดกับพีแ่แตรไว้ค่ะอีกสักพักคงมาถึงมาวันทาซ่อนยิม้มจะดีหรือแฟนหนุ่มแฟนสาวอยากจูจีกันจูจูเหมือนมีตัวอะไรโผลมาแทรกแพทย์หญิงเรียนแบบถ้อยคําอิดเอื้อนของน้องสาวเมื่อครั้งแรกที่ชวนร่วมโต๊ะทานข้าวกับสามีหลอนล้านดาวกระพริบตาเนิบช้ายิ้มเบะที่ถูกย้อนเกล็ดจึงนิ่งไปนิดเพื่อคิดมุกสดให้รับมุกเดิมของตนแล้วพูดเอ่อย ที่โผล่เข้ามาแทรกไม่ใช่ตัวอะไรนี่คะแต่เป็นพี่เอิญที่ขอเพียงให้บอกมาคําเดียวจ้าจะเชื่อทุกอย่างแม้แต่สั่งให้อยู่หรือตายมาวันทาฟังแล้วเม้มปากยิ้มครู่หนึ่งคุยกับลานดาวทีไรรู้สึกเส้นตื้นทุกทีมุกเยอะเหลือเกินนะพี่ตรายคงหลงเธอมากละสิพอๆกับพี่เอิญสมัยก่อนนั่นแหละแต่พี่ไม่เคยหลงเธอจนขาดสตินะนั่นไงถึงบอกว่าพอๆกันอ๋ออืมแสดงว่าพระเอกของเธอมีดีพอตัวแล้วหล่อนก็ฉเฉลย ความจริงพี่เจอกับพี่แตรทางอินเทอร์เนต็ตเมื่อคืนเขาบอกว่านัดทานข้าเย็นกับเธอเย็นนี้ต้องขอบใจที่เธอเล่าเรื่องพี่ฝันรายซ้ำซกให้เขาฟังพี่แตรบอกว่าจะช่วยสะกดจิตให้เลิกฝันเด็ดขาดขอให้มาเจอกันหวังว่าคงไม่รังเกียจนะล้านดาวอมยิ้มหน้าเอ็นดูกล่าวบอกพี่สาวไม่รังเกียจแถมดีใจขนาดอยากลุกขึ้นกระโดดตบแผลสักร้อยหนเลยละจ้าถ้าวันไหนพี่อ่องไม่อยู่พวกเราสามคนน่าจะทานข้าวเย็นพร้อมหน้า หัวข้อสนทนาประจำระหว่างจ้า ก, กับพี่แตรมักหนีไม่พ้นพี่เอินอยู่แล้วถ้าเจ้าตัวมาร่วมวงด้วยเสียเลยจะได้มีชีวิตชีวาจับต้องง่ายขึ้นมาวรรทากำลังยิ้มยิ้มเปลี่ยนเป็นหน้าตึงทันทีเธอเอาพี่ไปขายขนาดไหนแล้วนี่ห้ามเราส่งเดตโดยพี่ไม่ยินยอมอนุญาตเด็ตขาดละ่ะแม้มันจำกัดสิทธิ์กันอย่างนี้ก็ไม่มันนะสีเล่าอะไรไปบ้างบอกมาให้หมดน้องสาวทำเป็นเฉยใช้แกล้งไก่ ย, ยื่นหน้าเข้าไปเล็งใกล้ๆแก้มพี่หมอคนสวยและใช้นิ้วแตะแผ่ว ดูสิทำงานจนสิวขึ้นมาวันทาปัดมือลานดาวทิ้งไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องบอกมาเล่าอะไรไปบ้างใครจะไปจำได้คะพี่เอิญ น, นั่นแหละบอกมาดีกว่าว่าห้ามเล่าอะไรบ้างเรื่องระหว่างพี่กับเธอเขารู้หรือเปล่ารู้มั้งแพศสาวหน้าแดงเรือรู้แค่ไหนก็เรามีอะไรกันแค่ไหนล่ะมาวันทาขบริมฝีปากอยุกรูกก่อนเอิญจะเล่าอะไรให้มีขอบเขตมีสามัญสํานึกบ้างนะ อย่าให้คนอื่นต้องเสียหายลานดาวยิ้มกระเดียดไปทางเยยนิดๆเพราะรู้อยู่แล้วว่ามาวันทาไม่ต้องการเสียภาพนางเอกผู้แสนประเสริฐคิดในแง่ดีมั่งดีจะเล่าละเอียดแบบเจอดๆพี่แต่จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าพี่เอิญมีชู้จะบอกไปแล้วล่ะว่าจะเคยอยากมีอะไรกับพี่เอิญแต่พี่เอิญไม่เล่นด้วยเลกลายเป็นตบมือข้างเดียวจะเลวอยู่คนเดียวแบบนี้ดีพอไหมทำไมต้องเล่าเรื่องพันนั้นด้วยเป็นหัวข้อเจาะใจที่สนุกนักหรือไง พี่เอินต้องเข้าใจสิคะเวลาเป็นแฟนใครพอคุยกันทุกวันก็ต้องหาเรื่องโนนเรื่องนี้มาฟื้นฝอยหาตะเข็บเป็นของขาวหวานเป็นน้ำจิ้มโอ้ยธรรมดาโลกอย่างน้อยเรื่องจำพวกความประทับใจกับบุคคลต่างๆแต่หนหลังก็ต้องถูกรวมอยู่ด้วยทำใจสเสถะนี่ยอมรับกันตรงๆไม่อมพนันแล้วนะทั้งที่จะโกหกเอาตัวรอดว่าไม่เคยเล่าอะไรเลยก็ย่อมได้แต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเธอทั้งสิ้นนะมีแต่เธอหลอกลวงขุดลุ่มพลางล่อดั้งนั้น เอาเถอะเอาเถอะแล้วจะบอกตามนั้นจะบอกตามนั้นแล้วที่เคยบอกอย่างสนุกปากไปแล้วล่ะเออที่เคยบอกแล้วก็แล้วไปสิคะสนุกหรือไม่สนุกเป็นเรื่องในอดีตอย่าไปคำนึงถึงมันมาวันทาสายหน้าอัดอันชักไม่กล้าเผชิญหน้าอมริดขึ้นมาต ง, งิดต ง, งิดจ๊ะนะเธอหน้าไม่อายก็เรื่องของเธอแต่คนอื่นเขามีจิตใจมีความรู้สึกอยากรักษาหน้าก็ควรเห็นใจกันบ้างพี่รู้จักนิสัยเธอดีใส่สีตีไข่ถนัดนัก โดยเฉพาะถ้าเป็นความเสียหายของคนอื่นลานดาวลอยหน้าลอยตาถามแบบท้องไม่รู้ร้อนเอาน้ำเย็นไหมคะเดี๋ยวจะลุกไปรินให้เริ่มไหวทันว่ากำลังถูกยั่วโมโหจึงพยายามสงบใจลงด้วยการลุกขึ้นเดินไปยืนกอดอกชมกุหลาบนอกบานกระจกเสียรอบด้านทางใกล้และไกลเต็มไปด้วยความเจริญหูเจริญตาตามแนวคิดโครงการบ้านริมทะเลสาบกลางกรุงที่รายล้อมด้วยพันไม้งดงามเพียงฝากตาฝากใจกับสิ่งที่เห็นครู่เดียว ความขุนมัวในอกก็เริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลายครั้งมาวันทาทบทวนแล้วงงงันกับความรู้สึกแบบเดิมๆที่มีต่อลานดาวน่าสรุปว่าหล่อนเป็นเพียงเครื่องมือใช้กรรมของลานดาวและถูกอำนาจเสน่ห์ครอบงำจนหูอื้อตาลายไปชั่วขณะอยากลบความจริงในช่วงเวลานั้นทิ้งจากชีวิตไม่ให้มีใครจดจำเรื่องราวต่างๆได้แต่ยิ่งวันยิ่งทำท่าจะมีคนรู้มากขึ้นและหล่อนก็ไม่สามารถควบคุมไม่อาจล่วงรู้เลยว่าชาวบ้านมีปากเขาใช้ปากพูดถึงหล่อนกันอย่างไร ใกล้เคียงหรือห่างไกลความจริงขนาดไหนนึกอยากย้อนเวลาเสียจนเหนื่อยใจไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้หลอนถูกอบรมสั่งสอนให้ทำชีวิตเหมือนผ้าขาว แต่บัดนี้ก็มีหย่อมดวงด่างพร้อยให้งามหน้าเสียแล้วอยากโทษลานดาวฝ่ายเดียวแต่ทบทวนด้วยใจเป็นทํามคราวใดก็เห็นหล่อนเองมีส่วนร่วมไม่ต่ํากว่าครึ่งเสมอปฏิเสธไปก็คือหลอกตัวเองเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับลานดาวกระดึบคืบคลานอย่างยากจะรู้ทิศทางจึงลำบากต่อการพยายามระวังตัวสํานึกอีกทีก็ถลําลึกเกินถอนเสียแล้วระบายลมหายใจยาวแบบทดสอบในชีวิตหลายข้อนั้นง่ายที่จะผ่าน หล่อนยังสาวยังสวยยังแสนหวานต้องตาเพ่ตรงข้ามเสมอหนุ่มๆ ม, มากด้านหลายตาจึงพยายามเข้ามาเกาะแกะบางคนไม่รู้ว่าออกเรือนก็แล้วไปแต่บางคนรู้ทางรู้ยังไม่วายตื้อประสาคนยุคบริโภคการหลากรถเป็นกิจวัตรผิดหรือไม่ผิดศีลช่างมันกรณีเหล่านั้นง่ายจะจัดการพอเห็นหน้าว่าเป็นชายแค่เมินเสียก็สิ้นเรื่อง แต่ลานดาวเริ่มก้าวเข้ามาแบบน้องสาวนึกไม่ถึงเลยว่าพอเปิดใจให้จะเป็นเรื่องได้ยังดีแค่ไหนที่สีนไม่ขาดทะลุให้เป็นตราบาปหนักหน่วงกว่าทุกวันนี้หากห้ามใจทันเสียก่อนปลูกต้นงิ้วสําเร็จแต่ก็เรียกว่าเฉีวเฉียดเต็มทนได้รับกบํามบอกๆเป็นการถูกนินทาให้ขายหน้านี่ถือว่าบุญนักแล้วรู้สึกถึงสองเรียวแขนที่สวมสอดกอดกระหวัดมาจากเบื้องหลังแพ้สาวปฏิเสธด้วยภาษากายคือเบี่ยงหนีนิดหนึ่งแต่ฝ่ายนั้นยังตามกอดอย่างนุ่มนวล ให้กระแสสัมผัสเยี่ยงพี่น้องเปลาวปลอมงอนงอขอญาติดีจึงยอมยืนนิ่งในที่สุดลานดาววางคางเกยไหลอีกฝ่ายสายตาทอดมองใบไม้ใบหญ้าเบื้องนอกพลังกระซิบจะรักพี่เอินนะชาติก่อนก่อนก็คงรักชาติหน้าก็แน่ใจว่าจะรักอีกลืมเรื่องที่ผ่านมากันเถอคะค่ะใครว่ายังไงก็ช่างปะไรความรักของเราไม่ได้วางไว้บนหัวเขาเสียหน่อยแค่รู้กันระหว่างเราว่านับแต่นี้จนตายจะผูกพันกันบนฐานความรักบริสุทธิ์ก็พอ จะสัญญาว่าจะเลิกพูดถึงช่วงเวลาที่เคยมัวมองระหว่างเราไม่ว่าจะกับใครสีหน้ามาวันทาคลายลงลานดาวเป็นอย่างนี้เองชอบยัวให้วาวุ่นเสียก่อนแล้วถึงค่อยออดอ้อน อ, อซอนในภายหลังท่านี้เป็นกรรมที่ลานดาวประกอบเป็นอาจีนในการก่อนๆ ก, ก็สมควรแล้วที่เคยเจียนคลั่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะคลี่คลายไปในทางดีภายหลังสําคัญคือมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลานดาวชัดเจนนะักหล่อนยังคิด พูดและทําในแบบเดิมๆก็น่าเกรงว่าเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปรับผลแบบเดิมๆอีกเช่นกันคิเช่นนั้นจึงถามแผลกลัวบาปกลัวกรรมขึ้นบ้างหรือยังเรานี่ยกลัวแล้วลันดาวตอบเสียงอ่อนเสียงหวานกลัวแล้วทำไมยังยียวนกวนประสาทไม่เลิกรักใครก็ต้องยั่วคนนั้นบ้างสิไม่งั้นจะหลงเราหรอยั่วใหย่ให้โกรธนะสิไม่ใช่ยั่วยวนให้หลงเธอกลัวบาปกลัวกรรมท่าไหนของเธอกันเหรอลันดาวใช้สองมือจับไหล่บังคับให้พี่สาวหันมาเผชิญหน้า ท่านี้ไงถ้าของคนกลัวบาปคือย่นขอยืนหน้าจีบปากเหลือกตาโตเท่าไขหา่ห่านมาวันทาทั้งฉิวทั้งขำพอทนกลั้นไม่ไหวหลุดหัวเราะออกมาก็รู้สึกเกอ้อที่แพ้ทางจึงผลัก อ, กอกน้องสาวค่อนข้างแรงก่อนหันหลังกอดอกเชิดหน้าหนีเหมือนลิงที่สุดผู้หญิงอะไรลานดาวยิ้มอย่างรู้จังหวะประชิดกอดและเอียงหน้าซบแก้มแนบบ่าผู้พีคลายลูกแมวขี้ประจบอยู่กับพี่เอิญกับพี่แตรทําให้จ่าเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วจริงๆ อย่างที่จะเอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์ค่าตัวตายของเราไงคะพอดูสุขทุกข์ในจิตใจตัวเองและคนอื่นเป็นทําให้เริ่มมองออกว่าเราเคยป้อนน้าหนักทุกสุขแบบไหนไว้ให้คนอื่นซ้ําๆเป็นประจําน้ําหนักทุกสุขเท่ากันนั้นก็จะย้อนกลับมาสนองคืนเราในวันหนึ่งกิริยาอันเป็นเหตุเท่าไหร่ปฏิกิริยาอันเป็นผลสะท้อนกลับก็เท่านั้นแล้วเธออยากให้พี่โมโหนี่นึกว่าจะได้ผลอะไรเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือพี่เอิญก็แยกกลับมั่งดีจ้าเต็มใจ มาวันทางเงียบบึง้งลานดาวจึงเตือนว่าระวังนาเก็บความโกรธไว้นานๆเดี๋ยวผิวเสียไม่รู้ด้วยที่พี่เอิญว่าเอาว่าเอาเมื่อกี้จะยังไม่โกรธเลยเพราะเชื้อที่พี่เอินเคยสอนไงคะสตรีผู้มักโกรธจะมีวิญญาณอัปลักณในชาติปัจจุบันแล้วเกิดชาติหน้าผิวพันจะซามเจอหมายนั้นมาวันทาก็อ่ำอึง้งลดทิฐิที่จะเก็บความโกรธลงพระพุทธเจ้าเคยตรัสพยากรณ์กรรมอันมักเกิดขึ้นกับสตรีเพศไวเช่นนั้นจริงๆ คือสตรีไดเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความแค้นใจถูกว่าแม่เล็กน้อยก็ฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดทำกระด้างกระเดืองสแสดงความขัดเคืองให้ปรากฏเช่นนี้เกิดในชาติไหนพบใดย่อมเป็นผู้มีรูปชั่วผิวพรรณซ่ามไม่น่าดูเป็นธรรมดาที่ทังโลกเต็มไปด้วยหญิงรูปไม่งามหรืองามไม่พร้อมเพราะเหมือนธรรมชาติแกล้งด้วยการมอบความดื้อกับนิสัยเจ้าโทสะไว้เป็นคุณลักษณ์เด่นของเพศหญิงความดื้อทำให้เจ้าโทสะ ความเจ้าโทาสะจะเลี้ยงความดื้อไว้ความกลัวอกุศลวิบากเท่านั้นทำให้ลานนิสัยด้านเสียประจำเพศลงได้มาวันทาหันกลับมาด้วยท่าทีที่เยือกเย็นลงจานี่จริงๆเลยนะคนอย่างเธอต่อไปจะเป็นคุณอนันต์หรือมาหันประทษขนาดไหนก็ไม่รู้